Thank mm -hmm. you. เช้าก็มีโยมคณะหนึ่งมาเพื่อปรึกษานะเรื่องการปลูกป่าที่ผู้หลงผู้ชายที่เป็นหัวหน้ามาที่วัดนะก็รู้สึกประทับใจในบรรยากาศและความสงบนะถึงแม้ว่าช่วงเช้าพระเราเนี่ยมีการทำงานกันนะอย่างคึกคักนะแต่ว่าพอเข้ามาที่สารานานะ้ำเขาก็รู้สึกว่ามันสงบ แล้วก็สนใจนะว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาปฏิบัติธรรมหรือว่าบวชเขาเองเคยบวชมาแล้วนะสองครั้งครั้งแรกก็บวชตามประเพณีอายุยี่สิบครั้งที่สองก็เพราะมีความทุกข์แต่ก็ไม่ได้ขยายความว่าทุกเรื่องอะไรคุยทุรัาเสร็จก็ก็เดินพาไปเดินออกไปที่สาระนอกเขาก็เล่าว่า หลายปีก่อนนะภรรยานะที่อยู่ด้วยกันมานานก็เสียชีวิตนะด้วยโรคมะเร็งตอนนั้นมีความเศร้ามากนะเศร้าเสียใจมากเพราะว่าได้อยู่กับภรรยาตั้งแต่ป่วยไม่นานนะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมทุกเหเวทนาที่เกิดขึ้นพอภรรยาจากไปก็ จมอยู่ในความโศกเศร้าแต่ก็มีช่วงนี้ที่เขาเกิดถูกคิดขึ้นมาว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเสียใจเนี่ยคำพูดนี้มันมีความหมายมากทีเดียวนะสั้นๆแต่มันให้แง่คิดที่ดีมากคำพูดนี้ก็ทำให้เขาจะเรียกว่าตื่นกันด้นะตื่นจากความความเศร้าโศกความเศร้าโศกเนี่ยถ้าเราจมนะ เข้าไปในอาการนั้นมันก็เรียกว่าเป็นความหลงเหมือนกันนะเป็นความหลงในภาวะเนนั้นแหละไม่รู้สึกตัวแต่พอเขาได้คิดขึ้นมาว่าคนเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเสียใจก็ทําให้เขาเนี่ยได้สติขึ้นมาแล้วก็ค่อยถอนใจออกมานะจากความโศกความเศร้า แล้วก็คงเป็นเหตุผลทำให้เขาได้มาบวชครั้งที่สองเพื่อที่ได้กลับม า, าตั้งหลักมาใช้ชีวิตเพื่อเดินไปข้างหน้าไม่ใช่จมอยู่กับอดีตรหรือว่าเหตุการณ์ที่เจ็บปวดมันน่าคิดมากนะเพราะว่าคนเวลาทุกข์เนี่ยนะเขาไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่าเขากาลังปล่อยเวลาที่มีค่า ให้หมดไปกับสิ่งที่มันบั่นทอนจิตใจแต่ละคนก็ล้วนแต่มีเวลาในโลกนี้น้อยลงไปทุกทีน้อยลงไปทุกที น, ทกทนะแต่เรามักจะเสียเวลาไปกับสิ่งที่อ่าไม่เป็นสาระซะเยอะถ้ามันเป็นความสนุกสนานก็ยังพอทำเนานะเพราะว่ามันก็เป็นสีสันของชีวิตนะ จากการที่ปล่อยใจมันจมลงไปกับในความเศร้าโศกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปล่อยใจมันทิ้งปล่อยชีวิตทั้งชีวิตลงไปเลยนะในความเศร้าเพราะว่าพออยู่ในการนั้นเราก็กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เป็นอานทำงานหมดอะไรใจอยากกับชีวิตมันไม่แค่ไม่ใช่แค่ปล่อยใจมันปล่อยชีวิตไปเลยและเวลาที่มีค่าที่มีน้อยลงไปทุกทีก็สูญเป่าไปกับสิ่งที่มัน นะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแถนเป็นโทษด้วยแต่ถ้าเกิดคนเราตั้งหลักนะมาคิดว่าเอ้ยนี่เราจะทุกข์ทำไมเนี่ยหรือมาคิดอย่างผู้ชายคนนี้ก็ได้ว่าเราไม่ได้เกิดมานะเพื่อเสียใจเนี่ยนะหลายคนอาจจะมีคำถามว่าเกิดมาทำไมนะนะแต่ก็เชื่อได้ว่าเมื่อหาคาตอบได้เนี่ย ก็คงจะไม่พบว่าคําตอบก็คือเกิดมาเพื่อทุกข์เพื่อเสียใจนะเพื่อเศร้าโศกเพื่อโกรธแค้นนะเราเกิดมาเพื่อที่จะเข้าถึงไอ้สิ่งที่มันดีกว่านั้นนะเข้าถึงสิ่งที่ดีกว่าที่เป็นอยู่หรือว่าเกิดมาเพื่อที่ได้ทําสิ่งดีๆนะที่มันคุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์นะ ที่จริงคนเราเกิดมานี่มันก็มีความเศร้ามีความทุกข์อยู่แล้วนะคือไม่ต้องทําอะไรนะอยู่เฉยๆมันก็ทุกข์อยู่แล้วนะเพราะว่าเกิดมาก็ต้องนะปวดท้องบ้างหิวบ้างนะต้องออกไปขับถายบ้างแล้วต้องมีความแก่ความชราตามมาอีกคือไม่ทําอะไรเนี่ยมันก็ทุกข์อยู่แล้วนะแล้วยังซ้ําเติมตัวเองนะด้วยการปล่อยใจให้จมลงไปในความเศร้า หรือในความา ท, ท้อแท้ความผิดหวังความโกรธเคืองในเมื่อเรานะเกิดมามันก็มีความทุกข์เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ควรที่จะใช้เวลาที่ที่มีอยู่นะเพื่อการาประสบสัมผัสในสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายหรือความสุขแะ ถ้าจะให้ดีก็ไม่ควรจะเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะแต่ควรเป็นความสุขที่มันประณีตนะเป็นความสุขที่นําไปสู่ชีวิตที่เป็นกุศลนะอันนี้มันถึงจะเรียกว่าคุ้มค่าการเกิดมาไม่ใช่ปล่อยให้ชีวิตจิตใ จ, จมันจมอยู่กับความทุกข์อยู่เฉยๆก็ทุกข์กายอยู่แล้วนะถ้าแลงปล่อยให้ทุกข์ใจอีกนะมันก็เรียกว่าปล่อยชีวิตให้ทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ ปล่อยเวลาให้ไร้คุณค่าจต่ก็ธรรมดานะคนเราเวลามันมีความโศกความเศร้าเนี่ยมันก็หรือความผิดหวังแม้รวมทั้งความโกรธมันก็มักจะคนเราก็มักจะปล่อยใจเผลอจมลงไปนะเพราะว่ามันเมือนก็หลุมดำนะไอ้หลุมดํานี่มันก็มีคุณสมบัติอย่างก็คือมันชอบดูดนะมันดูดทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวให้เข้าไปอยู่ในในในหลุมของมัน น, นี่ความเศร้าวความโศกหรืออารมณ์อ ก, กุศลรวมต้องความโกรธและความเจ็บปวดด้วยเนี่ยมันก็มีความสามารถในการดูดจิตดูดใจขงเราให้จมจมหายเข้าไปนะเราก็ต้องมีนะมีวิธีนะในการที่จะดึงจิตเนี่ยมันหลุดออกมาจากหลุมน้ำอันนี้มันเป็นศิละปะของชีวิตเลยนะเพราะถ้าเราไม่มีวิชานี้เนี่ย ใจเรชีวิตลองก็จมนะจมแล้วจมอีกนะบางทีจมดิ่งไปเรื่อยๆจนทงังหาทางออกไม่เจอสุดท้ายก็ตัดช่องน้อยกับแต่พอตัวหรือทำ้ายตัวเองฆนะ่าตัวตายนะต้องมีวิชานะที่จะช่วยดึงจิตดึงใจออกมานะและวิชานี้เนี่ยนะ่นะ วิชาเจริญสติเนี่ยสำคัญมากนะมันจะช่วยดึงจิตของเราให้ขึ้นมาออกขึ้นมาจากหลุมให้ได้แต่บางทีสําหรับคนทั่วไปเนี่ยนะถ้าไม่ได้เจริญสติมาบางทีก็ต้องอาศัยวิธีคิดที่แยบคายนะอันนี้เขาเรียกว่าโย น, นิโสมนาสิการนะภาษาธรรมะเรียกว่าโย น, นิโสมนาสิการจะแปล ง, ง่ายคือฉลาดคิดหรือว่าวิธีคิดที่แยบคาย วิธีคิดที่เป็นกุศลเนี่ยอย่างที่ผู้ชายคนเนี้แกถุกคิดขึ้นมาว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเสียใจเนี่ยนะเราเกิดมาเพื่อสิ่งที่มันดีกว่านั้นนะพอคิดอย่างนี้เขาก็ได้สติเลยนะไม่ปล่อยใจให้จมอยู่ในความเศร้าก็พยายามที่จะหาทางนะกระเสือกกระสนนะให้มันออกมาจากหลุมนีนะ้ธรรมชาติคนเราพอมันจมอยู่ในหลุมนี้แล้วก็ มีแต่จะขุดลุมให้ลึกลงไปเรื่อยๆนะแปลกนะพอเข้าไปในหลุมแล้วก็จะขุดหลุมให้มันลึกลงไปลึกลงไปแทนที่จะเงยหน้าออกมานะมาที่ปากหลุมเห็นแสงสว่างแล้วก็เกิดกำลังใจที่จริงแค่เห็นแสงสว่างที่ปากหลุมเนี่ยมันก็แทบจะช่วยฉุดให้ขึ้นมาจากหลุมได้ไม่น้อยแล้วเ <c oughs> พราะว่าพอเห็นแสงสว่างเนียมันก็จะไม่ ไม่ปล่อยใจให้จมอยู่กับการคิดเรื่องที่มันผ่านไปแล้วความโศกความเศร้านะสติเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นเหมือนแสงสว่างนะที่ไม่ใช่เพียงแต่ทําให้เราได้คิดแต่มันยังสามารถจะฉุดใจขึ้นมาได้แต่ก็อย่างที่บอสนะคนถ้าไม่ได้เจริญสติก็ต้องอาศัยวิธีคิดที่มันแยบคายที่ช่วยเตือนใจนะ ไม่ให้จมไปในความโศกความเศร้าหรือว่าความทุกข์ได้ได้อาจเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะแกเป็นโปลิโอนะเป็นโรคโปลิโอสมัยที่ยังไม่มีวัคซีนนะที่ช่วยป้องกันโรคนี้แล้วก็เป็นอย่างหนักด้วยไม่ใช่แค่ขาพิ ก, การหรือขากระเพกนะแต่ว่าทั้งตัวนี่เคลื่อนไหวไม่ได้เลยนะ สมองก็ดีอยู่ตาก็ใช้ได้แต่ว่าขยับอะไรไม่ได้เลยยกเว้นมือขยับแขนยังไม่ได้เลยนะขยับแค่มือนะลองนึกดูซะว่าเนี่ยถ้าเราอยู่ในสภาพเช่นนี้มันจะทรมานแค่ไหนแต่เขาก็สามารถที่จ ะ, ะใช้ชีวิตจะเรียกว่าไม่ตายจากคนทั่วไปก็ได้อย่างน้อยเขาก็เรียนจบมาเิทยาลัยแล้วก็สามารถที่จะทํามาหากินได้บ้าง อันนี้เรียกว่าพูดถึงความทุกข์โภาาของเขานี่ก็หนักกว่าตัวอย่างหลายคนที่เราเคยได้ยินมาที่นี่นะอย่างเช่นหวังหมยหลินเนี่ยชาวไต้หวันนะที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ย น, นี่แกพิการทางสมองพูดไม่ได้นะเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นแต่ยังเขียนได้นะ หรือคนอย่างคนญี่ปุ่นอย่างโอโตทาเกะเนี่ยซึ่งไม่มีแขนไม่มีขานะมีแต่ตัวจะว่าแขนไม่มีก็ไม่เชิงนะแต่มันเป็นตุบเป็นปุ่มเล็กๆทั้งสองคนนี้ก็เป็นคนที่รู้จักนะใช้ชีวิต อ, อย่างมีความสุขนะโดยการรู้จักคิดนะอย่างโอโตทาเกะเคยบอกเนี่ยผมเกิดมาพิการแต่ก็สนุก และสุขทุกวันเกิดมาพิการแต่ก็มีความสุขและสนุกทุกวันนะทั้งที่ไม่มีมือไม่มีแขนนะหรืออย่างหวังเมย์เหล่านี้เขามองว่าเขามองเห็นแต่สิ่งที่มีนะสิ่งที่ไม่มีก็ไม่มองอสิ่งที่ไม่มีใช่อะไรก็เช่นความสามารถที่จะเดินเหินได้เหมือนคนทั่วไปความสามารถที่จะพูดเนี่ยเขาไม่มีเขาก็ไม่สนใจก็สนใจสิ่งที่เขามีอย่าง ชายคนที่เป็นโปรเโอเนี่ยก็เหมือนกันนะถ้าจะว่าเวลาเขาก็มีอาการหนักกว่าทั้งสองคนนะแต่สิ่งที่เหมือนกันคือว่าเขาสามารถจะอยู่อย่างมีความสุขมีความหวังก็มีเพื่อนเขาเนี่ยเคยถามเป็นเพื่อนที่เรียนมห า, าชัยด้วยกันเคยถามว่าถามถึงความสุขส่วนลูกของเขาว่าเนี่ยเขามไม่รู้สึกทุกข์เลยเหรอนะที่เกิดมาพิการขนาดเนี้อ่าผู้ชายี่ชื่อบรูซนะแกก็ตอบดีนะแกบอกว่า ผมไม่ได้คิดว่านะไม่อยากใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยการไปกับใช้ชีวิตที่เหลือไปกับการสมเพศตัวเองหรือความโกรธเคืองนะมาผมก็เลยนะคิดว่าตัดสินใจว่าจะรู้สึกขอบคุณนะกับสิ่งต่างๆคือในเมื่อเนี่ยมันทุกข์อยู่แล้วนะร่างกายก็ทุกข์อยู่แล้วนะนะแล้วจะปล่อย เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยให้หมดไปกับการาสมเพศเวทนาตัวเองหรือว่าการโกรธแค้นว่าทำไมฉันเป็นอย่างนี้นะทำไมพระเจ้าทำให้ฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาคิดว่ามันไม่ควรทำนะก็มีเพื่อนถามต่อไปว่าแล้วคุณรู้สึกขอบคุณอะไรนะก็บอกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณมิสหายขอบคุณหมหาเทาล่าและครูบาจารย์รวมทั้ง ขอบคุณที่ที่ยังมีสมองอยู่นะแล้วก็ขอบคุณชีวิตที่ยังให้โอกาสแก่ผมขนาดพิการขนาดนี้ก็ยังคิดว่าชีวิตนี้ยังมีโอกาสทำอะไรอีกหลายอย่างนะซึ่งควรค่าแก่การขอบคุณนะอันนี้ก็เรียกว่าเขามองมองมองในเชิงบวกมากคือถ้ามองในเชิงลบมันก็เห็นแต่ความพิการของตัวเองนะ แต่ภาพรู้จักมองในเชิงบวกก็พบว่าโอ้ฉันยังดีเนะื่ที่ฉันมีสมองที่ยังคิดอะไรได้เหมือนคนทั่วไปแล้วก็ยังมีโอกาสนะที่ชีวิตนี้มอบให้คนเราเนี่ยนะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเวลาของเราเหลือน้อยแล้วเนี่ยก็ยิ่งไม่สมควรที่จะปล่อยใช้เวลาหรือใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยไปกับไอ้ความโศกความเศร้าความรู้สึกที่ย่ําแยนะ่รวมทั้งความสมเพศตัวเองด้วย ถ้ามองให้เห็นนะให้เห็นอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็จะช่วยฉุดจิตออกจากความทุกข์ได้นะออกจากความสมเพศเวทนาตัวเองได้หรือออกจากความขุ่นเคืองนะอันนี้เป็นเรื่องมุมมองอันเนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจในะเวลาเราอยู่ในความทุกข์เนี่ยเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยให้รู้ว่าเรากาลังจมอยู่ในหลุมนะและหลุมนี้มันก็จะดึงเราลงไปให้ดิ่งลงไปเรื่อยๆ ให้มันมืดลงไปมืดลงไปเรื่อยๆนะต้องตั้งสติแล้วก็ฉุดจิตฉุดใจขึ้นมานะกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะกลับมาอยู่กับอความรู้สึกตัวนะแค่กลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันช่วยได้เยอะแหะหรือกลับมาอยู่กับกายนะมือเคลื่อนไหวนะยกมือเคลื่อนไหวลมหายใจเข้าออก หรือว่าเดินไปเดินมากลับมาอยู่กัความรู้สึกตัวนี่มันก็ช่วยดึงออกมาจากไอ้ความคิดที่มันคอยแต่จะฉุดจิตให้มันดิ่ดงลงไปในความทุกข์นะแต่คนเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมักจะไม่รู้วิธีนะที่จะฉุดตัวเองขึ้นมาพอถ้ารู้วิธีก็คงจะไม่ปล่อยให้ชีวิตมันย่ำแย่อย่างนี้บางทีต้องอาศัยตัวช่วย แล้วบางอย่างเนี่ยตัวช่วยมันก็ไม่มีอะไรมากนะที่มันมีคนแก่คนหนึ่งนะอายุก็มาสักแปดสิบปีได้แล้วมั้งภรรยาที่อยู่ด้วยกันมาหกสิบปีนะยาวมากนะเกิดเสียชีวิตนะพอภรรยาตายนี่หมดเลยนะชีวิตจมดิ่งอยู่ในความเศร้าไม่ยอมกินอะไรเลย เหมือนกันว่ามันหมดพลังชีวิตแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมนะหมดอะไรตายอยากลูกๆเนี่ยก็เคี่ยวเข็นให้กินก็ไม่ยอมกินแล้วก็ไม่ยอมทำอะไรเอาแต่นั่งหรือแม่ก็นอนลูกๆต้องพาไปอาบน้ำต้องพาไปาทำโน้นทำนี่เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะไม่มีกำลังจะทำอะไรแล้วแล้ววันนึงเจ้าตัวก็ขับรถลงคู นะตำรวจสันนิษฐานว่าคงไม่ใช่อุบัติเหตุนนะคงตั้งใจจะฆ่าตัวตายลูกรู้เข้าก็ไม่รู้ทันยังไงก็เลยตัดสินใจนะพาพ่อเนี่ยมามาที่บ้านพักคนชรามาพักคนชรานี่ก็หนักเข้าไปใหญ่นะเพราะว่าแทนที่จะรู้สึกสูญเสียเมียนะก็รู้สึกต่อไปว่าสูญเสียบ้านพัดพากจากบ้าน แล้วก็สูญเสียอิสระภาพด้วยอยู่ที่บ้านนี่ยังเป็นเป็นนายของตัวเองแต่พอมาบ้านพักคนชรานี i ก็เหมือนกับว่าอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่นะอิสระภาพก็หมดไปมันสูญเสียทุกอย่างก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะไม่เป็นอันทาอะไรเลยไม่กินทั้งสิน้นนอนอย่างเดียวจกนกระทั่งใครๆก็คิดว่าสงสัยตายแน่มันหมดพลังในการมีชีวิตนะแล้วก็บังเอิญโชคดีนะ บ้านพักนี้เขามีนโยบายใหม่ผู้หนวยกานก็เป็นคนรุ่นใหม่เขาก็เอาสัตว์มาเลี้ยงในบ้านพักคนชลาเอานกแก้วมาลอยตัวเอาหมามาสี่ตัวแมวอีกสามสี่ตัวเนี่ยเข้ามาในบ้านพักซึ่งมันผิดระเบียบนะแต่ว่าเขาก็พยายามไฟจนกระทั่ง ก, กรรมการยอมให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาที่ไม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่ากลัวมันจะไม่สะอาดนะมันมีเชื้อโรคนะ แล้วก็หมาแมวพอมันขี้เนี่ยมันก็จะเป็นสกปรกคนแก่นี่ก็ภูมิต้านทานต่ําอยู่แล้วก็กลัว่าเอาสัตว์มานี่มันจะทําให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นผู้ในการก็ไฟจนกระทั่งเอามาได้นะแล้วก็คนแก่คนนี้แกก็ได้นกแก้วสองตัวนะเจ้าหน้าที่เอานกแก้วสองตัวมาเลี้ยงไว้ในห้องก็ปรากฏว่าพอนกแก้วมาได้ไม่กี่วันแกก็เริ่มนะเริ่มสนใจนกแก้วแล้ว เริ่มปรับท่านั่งท่านอนให้มันสามให้เขาสามารถจะเห็นนกแก้วได้ชัดๆหน่อยก็นั่งหรือนอนอยู่บนเตียงนี่แหละไม่ไปไหนแต่ก็เริ่มสนใจนกแก้วต่อมาพอเจ้าหน้าที่มาก็เริ่มคุยกับเจ้าที่แล้วไอ้นกแก้วตัวนี้ี่มันร้องทั้งวันเลยนะหรือบางทีก็คุยกับเจ้า้าที่ว่าเจ้าไอ้นกแก้วตัวนี้มันวันนี้มันไม่กินอะไรเลยนะไอ้ที่ไม่เคยพูดคุยเลยเริ่มคุยแล้วนะเริ่มสนใจนกแก้วแล้วก็เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นเรื่อยๆ จงกระทั่งเริ่มขยับตัวออกจากเตียงลุกจากเตียงไปโน่นมานี่บ้างล่ะสนใจนกแก้วหาอาหารมาให้นกแก้วกินกลายเป็นว่ากลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่เห็นได้ชัดเลย ว, ว่านกแก้วเนี่ยมันดึงดึงจิตใจของอคุณปู่เขเนี่ยให้ออกมาจากโลกแห่งความคิดพอดึงออกมาแล้วเนี่ยก็กลับมารู้นื้อรู้ตัวนะตอนหลังก็เริ่มจะกินข้าวแล้ว กินข้าวเองนะไม่ต้องให้ใครป้อนแล้วก็เริ่มที่จะแต่งตัวเองนะไม่ต้องมีให้ใครแต่งไม่ต้องให้ใครมาอุ้มไปอาบน้ําอาบน้ําเองแล้วก็เริ่มที่จะลุกจากเตียงออกจากห้องนะอาสาพาหมาออกไปเดินเล่นบอกว่าในสุด น, นะสุขภาพดีอยู่แค่สามเดือนก็ออกจากบ้านพักคนชรากลับบ้านได้กลับมามีชีชวิตชีวาใหม่เหมือนกับตอนก่อนที่จะเสียภรรยา คือนี่เป็นตัวอย่างนะว่าบางทีเนี่ยคนเรามันหมดตะไลตะอยากก็ช่อเพราะมันจมอยู่ในความคิดจมแล้วก็หมุนวนจกนกระทั่งออกไม่ได้นะคิดแต่เรื่องภรรยาคิดแต่เรื่องความหลังเหตุการณ์ที่เศร้าโศกแล้วก็จมดิ่งไปคนเหล่านี้เนี่ยจะออกจะจะหายได้ก็ต้องออกไปจากความคิดแต่มันออกไม่ได้นะแต่บังเอิญ น, นะสัตว์เนี่ยนะมันช่วยได้นะมัน สามารถจะดึงความดึงจิตเข้าออมาจากโลกแห่งความคิดนะพอดึงออกมาจากโลกแห่งความคิดเนี่ยมันเข้ากลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะก็เริ่มที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกตินะจกนกระทั่งหายจากความเจ็บป่วยที่จริงก็ไม่ได้ป่วยอะไรอยู่แล้วแต่มันเป็นเรื่องใจแท้ๆบางครั้งเนี่ยการดึงจิตออกมาจากโลกแห่งความคิดนี่ก็สําคัญนะเมื่อสักสามสิกว่าปีก่อนเนี่ยมีเพื่อนมาบวชที่นี่ ตำแหน่งสกโตนี่ก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่เพื่อนคนนี้แกก็ผิดหวังในความรักนะเสียศูนย์มากเลยเสียศูนย์จนกระทั่งแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วก็มีคนแนะนําให้มาบวชนะแล้วก็มาอยู่กับหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อทําเนี่ยหลวงพ่อเขียนทำคือว่านะพาเขาชมนกชมไม้ บางทีก็ชี้ให้ดูว่านี่ต้นอะไรใบเป็นยังไงแนะนำให้ดูสถานที่เห็นต้นไม้คือพาชี้พาชมสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมจนกระทั่งค่อยๆหายนะค่อยๆหายจากความซึมเศร้าแล้วตหลังก็ปฏิบัติธรรมเจริญสติจนกระทั่งเกิดความก้าวหน้าข um, ึ ¿S. Sir, <S ้นมา ทุกคนนี้ก็สนใจธรรมะนะเป็นคนที่ชักชวนผู้ใครต่อใครให้มาสนใจธรรมะให้มีสติรู้สึกตัวเวลาคนจมอยู่ในอารมณ์เนี่ยนะมันจําเป็นมากเลยที่ต้องดึงเขาออกมาและวิธีการดึงนะก็คือให้มาสนใจสิ่งภายนอกสิ่งรอบตัวนักปฏิบททัติธรรมเนี่ยปัญหานักปฏิบัติส่วนใหญ่คือส่งจิตออกนอกนะแต่สาหรับคนที่มีปัญหาเนี่ยมันชอบ จิตมันชอบเพ่งเข้าไหนจมอยู่ในความคิดจะแก้ได้เนี่ยก็ต้องดึงจิตออกมาออกมาสนใจสิ่งภายนอกนะเลิกไปเพ่งจิตบังคับใจหรือว่าไปจมอยู่ในความคิดหรืออดีตสมัยที่หลวงพ่อคําเขียนปฏิบัติ ใ, ใหม่ๆเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ชอบสมถะจิตท่านก็จะเพ่งเข้าใน ตอนที่มาปฏิบัติกับหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนก็ไม่ค่อยชอบวิธีการนะเพราะว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนให้เปิดตาให้เคลื่อนมือยกมือหลวงพ่อเทียนอยากจะหลวงพ่อเียอยากอยู่นิ่งๆตอนนั้นเป็นคาราวาอยากจะปิดตาอยู่นิ่งๆส ง, งบหลวงพ่อเทียนก็พยายามให้รู้สึกตัวต่หลังก็ท่านก็เข้าใจเรื่องการปฏิบัติแล้วก็เห็นผลก็มีศรัทธา เมื่อหนึ่งท่านเราว่าเนี่ยกําลังปฏิบัติอยู่ในกุติปิดประตูนะหลวงพ่อเทียนก็มามาหามาสอบอารมณ์มายืนอยู่หน้าประตูแล้วก็ถามว่าทําอะไรอยู่ทีแรกถามว่าอยู่ไหมอยู่ครับทําอะไรอยู่กำลังสร้างจังหวะครับเห็นข้างในไหมเห็นครับแล้วข้างนอกเห็นไหมไม่เห็นครับทํำยังไงถึงจะเห็นข้างนอก หลวงพ่ออมเขียนก็เลยลุกมาเปิดประตู เ, เห็นข้างนอกเรียังเห็นแล้วครับให้เห็นทั้งข้างนอกและข้างในนะแล้วท่านก็เดินเดินจากไปหลวงพ่ออมเขียนที่แรกก็สงสัยว่ามันหมายความว่ายางไรนะแต่พอคุณคิคดพิจารณาทราพก็เข้าใจแล้วหลวงพ่อเตรียมมาเตือนว่าอย่าไป อ, าอย่าไปส่งจิตเพ่งเข้าในนะให้ ให้เห็นข้างนอกด้วยนะให้รับรู้โลกภายนอกด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพลงออกนอกจนกระทั่งมันลืมข้างในนะก็คือให้รู้จักวางใจเป็นกลางๆนะเห็นทั้งข้างนอกและข้างในอันนี้ก็ทาให้หลวงความเขียนท่านได้แนวการปฏิบัติที่ทำให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็ท่านก็ใช้นะใช้จะเรียกว่าเป็นเทคนิคนี้ก็ได้นะในการช่วยคนที่เรียกว่าหลงอยู่ในอารมณ์ เคยตอนที่ท่านไปวัดโมกมีโยมคนหนึ่งนะก็มาทำวัดเช้าทุกวันเป็นประจำแต่วันนั้นเนี่ยเช้าก็ไม่มาทำวัดถึงเวลาอาหารก็ไม่มาหลวงพ่อประชันเสร็จก็เลยไปที่กุฏิของโยมคนนั้นถึงหน้ากุฏิก็เรียก โยงมนันนันพอได้ยินลงเสียงหลวงพ่อก็ตะโกนขึ้นมาเลยหลวงพ่อช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยนะเกิดอะไรขึ้นเหรอลุงพ่อก็ไปดูปรกว่าแกบอกว่ายกมือมือมันค้างนะยกมือสร้างจังหวะแล้วมือมันค้างเนี่ยนึกออกมหมยกมือสร้างจังหวะเนี่ยนะและ้วเสร็จแล้วก็ค้างเนี่ยนะตั้งแต่ตีสามแล้วเอามือลงออกมามือลงไม่ได้นะจนแปดโมงเช้านะคิดดูนะห้าชั่วโมงเนี่ยค้างเนี่ย หลวงพ่อรู้เลยเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อท่านเง็นไงหลวงพ่อท่านที่บอกว่าอท่านที่มาคุยเรื่องปฏิบัติก็คุยเรื่องว่ามีโยมมีลูกกี่คนนะและลูกนี่แต่งงานหรือยังแต่งแล้วครับมีหลานล้านกี่คนเขก็ตอบไปคิดถึงหลานไหมนะบางทีท่านก็พูดแยง้งนะพูดแยง้งหรือตั้งคําถาม ก็ชวนคุยเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องหลานนะคุยไปคุยมานี่มือของโยมอันั้นตกเลยกลับมาเป็นปกติแล้วยังไม่รู้ตัวนะก็ยังคุยต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสักพักอ่ะมือตกแล้วเลอเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อทำคืออะไรก็ชวนเขาเนี่ยนะออกมาสนใจภายนอกว่าจิตเนี่ยมันเพ่งเข้าหนจิตมันจมเข้าไปในอารมณ์น ะ, ะเพราะนั้นเนี่ยนะ บางทีเนี่ยเวลาคนเราเนี่ยมันจมอยู่ในอารมณ์หรือว่าจิตมันเพ่งเข้านไหนโดยเพราะนักปฏิบัติที่ในเรื่องการไปบังคับจิตมากนะไปจับจ้องจิตไปบังคับจิตไปห้ามจิตไม่ให้คิดเนี่ยแล้วก็หรือแม่ก็ไปพยายามที่จะเพ่งที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพวกนี้ก็จะมาอาจจะเกิดอาการแบบนี้ได้นะทำแล้วเครียดนะจิตมันจมอยู่ในอารมณ์ก็ต้องพยายามนะ ดึงออกมาถ้าคนที่มีสติเนี่ยเขาก็จะให้สติเนี่ยดึงจิตออกมาแต่ถ้าหากว่าสติอ่อนเนี่ยก็ต้องอาศัยตัวช่ว ย, ยแต่หลักการก็เหมือนกันนะคือต้องดึงจิตออกมาไม่ว่านักปฏิบัตินะที่จมอยู่ในที่มันเพ่งเข้าในหรือว่าคนคนชาวโลกทั่วๆไปที่จมอยู่ในความเศร้าเนี่ยความโกรธความแค้นนะมันจำเป็นมากนะที่จะต้องดึงจิตออกมา ออกมาอยู่กับเนื้อกับตัวออกมาอยู่กับปัจจุบันนะนั้นถ้าหากว่าเราคิดว่าเราไม่อาจจะหวังพึ่งพาตัวช่วยได้นะเพราะว่าตัวช่วยนี่จะจะจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจะมีครูบาอาจารย์มาทักหรือเปล่านะหรือว่าจะมีะใครมาเตือนมาชี้มาแนะถ้าเราไม่มั่นใจนะ และทจริงก็ไม่ควรจะหวังพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ด้วยเราก็ต้องหันมานะสร้างสติของเราเองให้สติของเราเนี่ยนะมันไวพอที่จะรู้ทันอารมณ์ที่มันเริ่มเข้ามาครอบงำเกาะกินจิตแล้วก็ดึงจิตออกมาอย่าปล่อยให้มันจมลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าจมลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยังถ้าเรามีวิธีคิดที่แยบขายมีโยนิสโอนปสิการเนี่ยมันก็ยังช่วยได้นะอย่างอย่างตัวอย่างสองคนนะที่พูดมาเนี่ย เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเสียใจเนี่ยผมไม่อยากใช้ชีวิตที่เหลือไปกับความสมเพศตัวเองหรือความโกรธเคืองถ้าเราถามตัวเองเนะว่าเราถ้าเรามีความเศร้ามีความทุกข์เนี่ยนะเราอยากใช้ชีวิตเราเนี่ยให้มันหมดไปกับไอ้สิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าหรือคิดว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีอะไรที่ดีกว่านั้นที่รอให้เราพบหรือมีสิ่งที่ดีกว่านั้นที่รอให้เราทำํำเพื่อทําให้ชีวิตเราเนี่ยจะเลยงอกงามมากขึ้น คำนิยวเพือ่อท่นทนี้นะกลับฮะ